หนึ100สีโมกขันติกะเปยยานว่าด้วยการละข้อความเกี่ยวกับภิกษุเข้าสู่สีมาเปยยานมุก700ติกะข้อ17ึิภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันโอบโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในวาาหลายรูป 1. ประชุมกันสีรูปบ้างเกินกว่าบ้าง 2. อภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่ามีภิกษุที่ อยู่ในอาวาสพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา 3. พภิกษุเหล่านั้นไม่รู e ้ว่ามีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว 4. พภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา 5. พภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว 6. ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ยินว่า ภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นกําลังเข้ามาภายในสีมา7จภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ยินว่าภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้วโดยใน100 75ติกะ1นภิกษุที่อยู่ในวาดกับภิกษุที่อยู่ในอาวัตสภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุที่อยู่ในวาดสามภิกษุที่อยู่ในวาดกับภิกษุอาคันตุกะ 4. ภิกษุอคันธุกะกับภิกษุอคันทุ ก, ก ะ, กกกกะรวมเป็น700ติกะโดยไปยานมุกข้อ 178. ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้วันอุโบสถของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นวัน14บ่ค่ำของพวกภิกษุอคันทุ ก, กะเป็นวัน15คห้าถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจํานวนมากกว่า พวกภิกษุอคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุที่อยู่ในวาดถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาดถานน้าพวกภิกษุอคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในาวาดพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้วันอุโบสถของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาดเป็นวัน15คห้า ของภิกษุอคันตุกะเป็นวัน14บ่ค่ำถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวัตมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุอคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวัตถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุอคันตุกะพึงอนุวัติตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวัตถ้าพวกภิกษุอคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวัตพึงอนุวัติตามพวกภิกษุอคันตุกะภิกษุทั้งหลายหนึ่งในกรณีนี้ วันโอโุบสถของพวกพิกษุนที่อยู่ในวาดเป็นวันหนึ่งค่ำของพวกภิกษุอคันภุกระเป็นวัน15คห้าถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในวัดมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในวาดไม่ปรารถนาก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพียงแ ก, พ ก, พก่พวกภิกษุอคันตุกระพวกภิกษุน์อคันตุกระพึงไปนอกสีมาทำอบูสดเถิดถ้ามีจํานวนเท่ากัน ภิกษุที่อยู่ในวัดไม่ปรารถนาก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพียงแก่พวกภิกษุอาคันตุกะพวกภิกษุอคันตุกะพึงไปนอกสีมาทำอุโบสถเถิดถ้าพวกภิกษุอคันตุกะมีจำนวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในวัดพึงให้ความพร้อมเพียงแก่พวกภิกษุอคันตุกะหรือไป น, นอกสีมาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้วันอุโบสถของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาดเป็นวัน15้าค่ำ ของพวกพิสูจน์อคันตุกะเป็นวันหนึ่งคำถ้าพวกพิกษุที่อยู่ในอาวัตมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุอาคันตุกะพึงให้ความพร้อมเพียงแก่ภิกษุที่อยู่ในอาวัตหรือไปนอกสีมาถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุน์อคันตุกะพึงให้ความพร้อมเพียงแก่พิกษุที่อยู่ในอาวัตหรือไปนอกสีมาถ้าพวกภิกษุน์อคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุน์อคันตุกะไม่ปรารถนาก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพียงแก่ ภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกภิกษุที่อยู่ในาวาดพึงไปน้องสีมาทําบูโบสดเถิน